เส้นทางเส้นนี้ไม่อาศัยคำสอนของบุริยาเป็นไกลหลายชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่กับความไม่รู้นะไม่รู้เขาสวดอะไรเมื่อกี้นะความหมายมันจะไม่ตรึงตาตรึงใจคือฟังเฉยๆเนี่ยมันไม่เข้าใจสวดไปแั้นเงนแหละบางทีนั้นบางทีเนี่ยมันต้องรอรอจังหวะที่จิตเราทั้งหลายเนี่ย จะมั่นคงเข้มแข็งขึ้นมาซะ ก, ก่อนถ้ามันยังห่วงเหงายังเศร้าซึมยังสลึมสลือหรือว่ายังไม่มีสมาธิคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงครอบถึงครัวอยู่เนี่ยมันยากที่จะเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาเล่าขานให้พวกเราฟังคือแม้แต่เราทั้งหลายสวดเองสาธยายเอง ทำมาได้อะไรจากพุทธพจน์บางไม่ได้นะขนาดแปลเรียบร้อยนะเนี่ยแต่ละบทแต่ละคาถามีประโยชน์ทั้งนั้นนะแต่ถ้าสมาธิมันอ่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วงรู้เป้าหมายจุดประสงค์ของพุทธพจน์หรือสภาวะทมนันนันได้เขาจึงให้มีการฝึกสติเยอะๆไง ให้เกิดการระลึกรู้มากๆจนกรทั้งจิตมีสมาธิระดับหนึ่งที่จะฟังเป็นคือพยายามฝึกกายกับใจเนี่ยให้มันรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้สติเนี่ยต้องอยู่กับกายชัดเจนกายเคลื่อนไหวใจรู้บางทีบางคนแยกบอกไม่เป็นโดยสัมปันธนะว่าความรู้สึกตัวคืออะไร ความคิดคืออะไรความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนาเป็นยังไงความรู้สึกตัวที่เป็นสติเป็นยังไงวันทีมันแยกออกจากกันไม่เป็นเวลาเราจเจริญสติจึงพยายามที่จะให้รู้จักสติจริงๆสติจริงๆมันคืออะไรแต่ื่อทีเวลามันมีสติสักหน่อย สมาธินิดหนึ่งมันก็เริ่มเข้าใจชีวิตขึ้นมานะแล้วก็ไหลไปกับความคิดอันนั้นแต่นี่อยากให้ไปปฏิบัติคือให้รู้สัจจะทำทั้งหมดแต่จะเข้าถึงภาวะอันนั้นได้ก็คือสติมันต้องรักษาใจไม่มันตกลงไปในอารมณ์ได้อย่างกลางวันเนี่ยต้องสามารถทวนกระแสได้แล้วยังออกจากความม่วง บางคนก็ออกได้ก็อยากจะรู้เรื่องอื่นต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ความม่วงก็ออกไม่เป็นมานั่งนี้ก็หลับสลึมสลืออยู่ยากอันนี้ฟังก็จะไม่รู้เรื่องเมล่าพูดไปก็เหมือนว่าให้บางดีเนี่ยเพราะมันอ่อนแอเกินดังนั้นเราต้องฝึกสติรักษาใจให้ได้ ย้าความคิดเอาไปกินนะใจเนี่ยเวลามันจะคิดก็ทิ้งออกไปความคิดนะให้มันเหลือแต่ความรู้สึกตัวรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยใหม่ๆก็จะเพิ่งไปสนใจมันความคิดนะปล่อยมันไปประกอบความรู้สึกตัวอยู่กับกายเนี่ย ไม่ใช่ไปจ้องนะครับว่าประคองกันละเรื่องกันนะนี่เราสอนให้ประคองจิตนะเนี่ยประคองสติคือประคองตัวรู้ตัวรู้นี่เราจะประคองเราไม่เร ป, ประคองไข่ประคองอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้สอนให้จ้องไม่ได้สอนให้เพ่งอะไรนะเพ่งหรือจ้องก็เถอน่ะนี่เขาประคองสตินี่ประคองความรู้ตัว ถ้าเราประคองสติได้นะมันจะเกิดอาการทราบซึ้งกับการอยู่กับปัจจุบันธรรมแล้วจะนำไปสู่การเข้าใจพุทธพจน์ที่เราสวดได้ทั้งหมดด้วยโออันนี้หมายเขาว่าอย่างนี้นะ้องอ้ น, นหมายเขาว่าอย่างนี้นะเนี่ยมันจะเกิดเข้าใจขึ้นมานะในพุทธพจน์ที่เราสวดไปน็นโอ้ยมากมายหลากหลายบทนั้นบทนี้ แต่เราก็ไม่ได้สวดเพื่อเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรนะสวดเพื่อให้รู้ตัวเนี่ยความง่วงความเหงาเนี่ยแค่กลกับใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหายไปเองหรอกความสลึมสลือความอะไรเนี่ยขอให้สติอยู่กับกายจริงๆนะเดี๋ยวนี้สติเราอยู่บ้างลืมบ้างนี่ยมันแว บ, บไปนู่นแวบไปนี่ ไม่ให้มันไปอันนี้ให้มันระลึกรู้สติคือความระลึกรู้แต่ส่วนวมากมันจะถูกดูดไปกับความคิดเวลาเราคิดมาแล้วสติไม่ได้ถูกดูดไปเลยเราไม่มไม่ถูกดูดไปพยายามตั้งสติได้ให้มั่นคงกนเรื่อยๆถ้าตัวระลึกรู้นี่มันมั่นคงนะตัวจิตก็อยู่เองโดยธรรมชาติแล้ว ประคองไวนะ้น่้ใหญ่มันง่วงตอนเย็นๆเนี่ย่ยยมันง่วงน่นไปถึงสามทุ่มแล้วนะเทศให้ฟังเนี่ยไม่ค่อยยากหรอกแต่เทศให้จิตมันเป็นเนี่ยมันจะยากดังนั้นก็ทำให้มันให้มันอยู่กับเรานะกายกับใจเนี่ยคือมันต้องสามารถเอาชนะทุกอันใดอันหนึ่งได้ก่อนนะ่ะ จึงจะปรบประทับใจเกิด ค, ความประทับใจครับผลงานของสติที่เรามาฝึกเนี่ยมันต้องดับทุกได้สักอันสักก่อนนะตอนเย็ น, ตอ น, นตอนเช้านะเวลาเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยให้มันร่วมให้มันทันเขาเอาน้ำเสร็จปุ๊บเขาไปเดินจุกมกไปให้มันทันนะมันเป็นการ คัดกลองอารมณ์คนไปในตัวไม่ใช่เขาทําเล่นนะเวลาระเดินที่กลมไปมันทันเวลาตื่นตอนเช้าเขามามาใ้มันทันเวลาเขารับอาหารรับมันทันอย่าโอ้เอออึดอาดไม่มันทันเวลาประมาณนั้นคือต้องให้มันทันนะเนี่ยสังเกตดูนะพระที่วัดเนี่ยเขาไม่นานหรอกรุ๊บปั๊บมันจะไหวเสร็จทันทีเนี่ยเว้นไว้แต่พวกที่ ฝึกน้อยโยมก็เหมือนกันสังเกตถ้าคนไหนเคยผ่านวัดป่าโสมันนั้นมาเขาจะเร็วเข้ามาก็เร็วเวลเตียครั้งละหมาดก็ไว้นู่นแต่คนอื่นเนี่ยจะเอ้ยอายไปพระนั่งร้องดิคือเราไม่ดูหน้าดูหลังนะว่าอะไรคืออะไรนะปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนี้แหละเขาไม่ให้จิตเราวิ่งไปตามกระแส แต่เวลาเขาสร้างกระแสอะไรขึ้นมาเพื่อเราจะไปตรงจุดนั้น เ, เขาตีละครั้งเพื่ออะไรก็รจะไปได้ดันดีตอนนี้เขาทําแรงมันจะรู้คือจิตมันมีความพร้อมที่จะทำลองฝึกลองฝืนดูนะใหม่ๆคนมาปฏิบัติธทมเนี่ยยังไม่มีสติหรอกแต่ว่าเขาเขาบอกว่าให้เลิกการกระทําผิดข้อห้ามของนักบวช 8อย่างตั้งแต่ปานาะอธินากาเมมุสาสุลาวิกากินอาหารผิดเวลาหลังเที่ยงแล้วก็ห้ามทัดทรงสวมใส่ประดับเครื่องประดับห้ามทัดห้ามทรงห้ามสวมใส่เครื่องประดับเครื่องตกแต่งเนี่ยเขไม่มีคนปฏิบัติทำ คือจิตมันจะพอใจกับเรื่องพว่นี้เขาก็ให้เอาออกซะไม่ให้มันมีแล้วก็ห้ามผัดทาผัดหน้าทาตัวเลยด้วยเครื่องกลิ่นเครื่องหอมเขาไม่ให้มันมีนะแล้วเขาก็ไม่ให้พอใจในที่นั่งที่นอนอะไรที่มันรู้หลาผู้ฝ่าที่นอนที่นั่งสูง อรู้หลาเกินความจำเป็นเนี่ยเาไม่เปนมีพระนี่ก็จะนอนหมอนไม้ด้วยซ้ไปมีไม้เป็นหมอนเอาผ้ารองนิดหน่อยนะเราก็หวังว่าเขาจะไม่มีนะไม่มีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคืออยากให้จิตมันไปติดนะอยาให้มันติดอยาให้มันคล้องแวะเือใจใมัน ว, ว่างๆใจมันสบายสบาย มันจิดรู้รกลินเสียงสัมผัสอารมณ์แต่มังคนติดเนะี่ยติดลิฟติกติดนนติดนี่พระเนนโยมนีม่ติดแป้งติดอะไรเนี้ยมันมีปล่อยมันตายลงรู้ที่ที่ชีวิตเนี่ยแล้วห่วงไม่แค่นหนังหนังปากหนังตาขนหูขนคิ้วเนี่ยขนคางลองเปลี่ยนดูดิเปลี่ยนว่า ไม่อะไรอววรกับมันลงดูดิกับรูปเันนียทิ้งมันดูดิไหวไหมวามปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วทําอะไรมันเร็วๆขึ้นเร็วกว่าที่ความคิดมันจะลากให้ไปบางคนติดนิสัยเนเะชื่องช้าอืดอาดคนปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณต้องสามารถพลิกนะชีวิตคุณแบบนั้นเขียนโปรแกรมให้มันใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคนเร็ว โยเพื่ออะไเพื่อจะรู้สึกตัวเนี่ยมันต่อเนื่องเี้เผื่อมันจะเกิดสัมปชัญญะขึ้นมาเนะีไม่ใช่ของง่ายเลยยิ่งเราไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราเนี่ยยิ่งยากเป็นคนไม่พูดไม่คุยเป็นคนขยันไม่ใช่ไปนั่งแอบหลับอยู่นะคือมาที่นี่ก็คือคงจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะ ถ้าท่านทั้งหลายไม่ฮึกไม่เหิมไม่ตั้งใจที่จะทำก็ไม่ได้อะไรเพื่อต้องขยันที่จะรู้ตัวเยอะๆแล้วขยันแล้วกล้ากล้าที่จะฝ่าความม่วงความเหงาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปเนี่ยจิตมันยิงจะเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาพอมันเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าวันไหนวันไหน เเย็นเราก็ง่วงตลอดคงยากนสีเวลาที่มานะันไม่ใช่ของง่ายอันเนี้ยเลือกโทรศัพท์นะเก็บให้หมดเอามาฝากไว้เนี่ยจะถือโทรได้ไม่ได้ก็ตามลถ้ตาก็เบื่อนะเบื่อที่ต้องเก็บโทรศัพท์คนโน้นก็นี้เวลา ไปอบรมที่น่นที่นี่เอาโ ย, โยมเก็บโทรศัพท์ได้คืออยากหยุดแล้วคําพูดอันไรไม่อยากเลิกเลิกคือไม่อยากอบรมคนเท่าไหร่เพราะเบื่อหน่ายที่ต้องมาเก็บเงินไขพวกนี้ยคืออยากเอาแต่คนจริงจริงยังจังที่มันอยากฝึกะคนไหนที่อยากฝึกก็คืออา้าวมันพร้อมมาไม่ไดมันมานี่ เงื่อนไขอะไรมันเก็บโอ้เดบับแล้วกับขยันปฏิบัติเออคนนี้พอจะช่วยจะบอกจะสอนจะสอบอารมณ์จะอะไรให้ดีหรอกแต่คนไหนดูแล้วมันไม่ได้เรื่อง<ม>เงื่อนไขชีวิตมันเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ถุละเหมือนกันเลยชีวิตพราเราไม่ได้ไปทุกข์กับใคร เราไม่ได้อย่างมีชื่อเสียงว่าช่วยเหลือคนนั้นได้สอนคนนั้นให้รู้ธรรมะไม่รู้ธรรมะไม่ไม่ได้อยู่เพือนประเด็นพวกนั้นนะดังนั้นเธอทั้งหลายต้องเป็นคนที่ตัง้งใจคิดว่าอยากเป็นคนอยากรู้อยากให้คนอื่นเขาสอนมาเนี่ยคนไหนที่จำตัวเป็นคนเก่งก็จะปล่อยเก่งเหมือนกันนะไอ้เนี่ยคนไหนทําเป็นคนดีก็จะปล่อยให้ดีคนไหนเป็นคนดื้อดึงทิฏฐิมานะก็ปล่อยเป็นคนทิฏฐิมานะ ก็คือต้องใช้ความเพียรหน่อยฟังเอาแล้วทำเลยนั่นเองจนกระทั่งว่าเออมันมันสามารถรับอะไรที่ละเอียดละเอียดหน่อยฮะก็จะดีที่จะค่อยมีประเด็นแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆก็คือมันอยู่ที่พระนี่แหละขยันหน่อยน้วนี่ คนสอนน่ะขยันหน่อยโง่อย่างไรก็ขยันสอนมันง่วงยังไงก็ขยันตามันเบื่อยไงก็ขยันอบรมมันขี้เกียจยังไงก็ขยันช่วยเนี่ยได้อยู่แต่ลูกตาไม่มีไม่มีอารมณ์ปานั้นไม่มีอารมณ์ขยันว่าจะช่วยพวกเธอทั้งหลายได้ปานั้นนะท่านต้องขยันกับตัวเองเยอะๆอย่ามาปฏิบัติเพื่อให้ คนเขาได้ตามดูอยู่บ่อยๆว่าคนนี้มันพูดเยอะคนนี้มันขี้เกียจคนนี้มันไม่กาหนดรู้นะเนี่ยคนนี้มันนั่งหลับไปจำอะไรประมาณนั้นและจะไม่ได้อะไรเลยชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรต่างเก่าล่วงภาวะเดิมคนไหนเสียดายกิเลสเสียดายโทรศัพท์จะได้อะไรเนี่ยก <c oughs> ็จะอยู่กับกิเลสไปนะ่ะยาก ปัญหานะที่สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยมีปฏิบัติในคนก็ขยันปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ทิ้งโทรศัพท์และจิตมันก็ติดอยู่นั่นแ่ะจึงยากทั้นเสียเวลาเจ็ดวันก็เจดวันก็เสียเฉยเฉยไม่ได้อะไรเพราะจิตมันคิดแต่เรื่องแบบนั้นอยากรู้อยากเห็น คือจิตมันคอยเนี่ยมันมากกว่าที่ที่คุยกันในนี้จบเวลาคุยกันพูดคุยกันนิดหนึ่งแนละ้วจบไปไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้ามันคอยในเงื่อนไขในโทรศัพท์จิตมันติดแบบนั้นนะว่า ย, ยากอันนี้บอกให้นะเนี่ยบอกถ้าคิดอยากดีอยากฝึกก็ทำเอาอบรมคืออบจริงๆรลมจริงริงใช้ความเพียรอบมันลมมันจิตเนี่ย ที่มันปรุงแต่งมันหงุนหิดมันอึดอัดมันมีการมาฉันทะมีอะไรเนี่ยอบมันเข้าไปปกติตัวง่วงใยมันเกินสามวันความง่วงเนี่ยให้มันหายไปเช้ากลางวันเย็นเนี่ยใยมันมีตอนเช้าก็ใหญ่มันง่วงตอนใส่สายทําความเพลียนก็ให้จิตมันตื่นตัวอย่าไปหลับ ไม่ใช่หลับได้น้อยและมีกำลังใจเพื่อจะมาฟังตอนเย็นจะได้ไมีห่วงไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนี่ยทำให้มันทะลุไปเลยห่วงเนี่ยมันทะลุไปเลยให้มันหายไปเลยไม่ต้องมาอยากฟังหรอกนะไปทำปฏิบัติธรรมเนี่ยทาให้มันหายไปเลยความห่วงเนี่ยคือให้เห็นแจ้งในจิตไปเลยอะ่ะแทนที่จะมาฟังเนี่ยทำใหมันตื่นตัวไปเลยที่จะไ่เสียดายจะไปกลัวนั่นกลัวนี่ปฏิบัติธรรมกล้า สู้กล้าชนถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะกิเลสมันถึงจะออกแต่ถ้าไม่จริงไม่จังเนี่ยแบบทำแบบเลี้ยงไข่ไปวันวันวั น, ว, นวันให้มันโตยากฉั้นเขาบอกวิวธีเนี่ยคือวิธีรัดรลัดคือประทะกับตัวคิดเลยประทะกับตัวง่วงเลยไม่ได้พูดอ้ออ่ละหรือไม่ได้นั่ง หลับค่อยๆเป็นค่อยไปเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงกิเลสอันเนี่ยเมื่อสู้กับความม่วกสู้ก็เลยสู้กับความคิดปะทะกันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสายรัดสายตรงตรงเข้าไปสู่จิตเลยอเ น, นี้ยมันเบือ่อมันห ง, งุดหงิดมาเลยเนี่ยสู้ไหวไหมถ้าคนไหนสู้ไม่ไหวก็อเอาไม่ไหวไม่ไหวก็จบไปก็อเอาแต่คนไหวนะเพราะคนนี้มันอินรีย์มันไม่ค่อยเหมือนกัน บางคนก็เข้มแข็งบางคนก็อ่อนแออคือสู้กับตัวง่วงไม่ได้สู้กับตัวฟุ้งซ่านไม่ได้สู้กับความโมโหิดไม่ได้บางคนเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปอ่ะอ่อนแอเกินกว่าที่จะรู้จกักสัจธรรมด้วยวิธีการเนี่ยเราก็ไปเริ่มใหม่ น, นะหลับหูหลั บ, ลลบตาสะพงศ์สะพังงากไปตามเรื่องก่อนประคองสติปาย นะเดินทางทางโคง้งก่อนไปรอบโลกก่อนขีม่ม้ารอบเมืองแล้วค่อยเข้าตีแต่จะคิดนะว่ากิเลสมันโตไม่เป็นนะ่ะกิเลสมันก็โตเป็นนะแต่ละวันแต่ละวันนะมันโตขึ้นโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นนะจิติมานะเหตุผลตัวเองปีนี้ไม่อยากปฏิบัติทำคิดเอาไว้ว่าปีหน้าจะมาปีหน้าจึงจะลงมือปฏิบัติอายุเท่านั้นเทนี้นจะทำ คุณคิดหรือว่าความคิดคุณไม่โตเลยแต่ละวันเนี่ยไม่คิดเลยว่าปัญหาความแก่ความเจ็บความตายมันไม่เปลี่ยนแปลงทิฏฐิมานะราฆาตัาหานี่คิดเลยว่ามันอยู่เฉยเฉยมันไม่ทํางานอนะ่ะกว่าจะไปถึงวันนั้นปีนั้นปีหน้าโอ้ยมันนานนะ แล้วนั้นอยู่ในนี่อยู่ที่นี่ฐานะนี้นะ่ะมีเวลาแล้วต่างคนต่างมีเวลามาอย่าไปกลัวมันโยมนะ่ะดีกว่าพระอย่างพระนี่เห็นไหมนะเดินโยกรมไปยังไม่ได้แก่ง่งวงอะไรกำลังเหงากาลังโยมมาตามแล้วนี่จากเชียงลายไปแล้วเรื่องสำคัญมาก อะไรประมาณนั้นถ้าพระอยู่ปฏิบัติธรรมอาจจะเกิดปัญญาสอนคนได้เยอะแต่พระกลับไปบ้านทำบุญเขาแต่งงานได้คนเดียวไม่นำซ้ำออกลูกมาอีกต่างหากปัญหาเกิดเยอะแยะเลยแต่ก็จำเป็นสำคัญประมาณเพราะมันไม่เห็นอะไรที่มันดีกว่านั้นชีวิต มันคนคนไม่เห็นความสําคัญของสติก็คือเรื่องอื่นจะสําคัญกว่าเหมือนกันปฏิบัติทำบางทีบางคนมองเห็นเรื่องเองินเรื่องทองชีวิตเขาสําคัญกว่าแต่คนที่มองเห็นชีวิตเกือบจะรอบด้านละทั้งสติทั้งเงินทั้งทองทั้งอะไรเนี่ยพอมองดูทั้งหมดโอ้เรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยมันสําคัญกว่าเรื่องอื่นนะ เพียงแต่ว่าเห็นมันจริงๆซะหน่อยเถอะเ น, นี่ยตั้งใจให้มันรู้มันเห็นจริงๆเนี่ยฟังเนี่ยเข้าใจนะนะเข้าใจแต่มันไม่ลงล่างลึกหรอกมันไม่เกิดความอ mm ินไส์นะอันเนี้ยเป็นไว้แต่สติมันจะมากๆเหมือนมันมีสมาธิน่ะรู้ตามเห็นตามในพุทธพจน์เนี่ยมันง่าย นั้นต่อสติเยอะๆอันนี้เพื่ออย่างน้อยก็ให้รู้แหละว่าเริ่มสัมผัสได้อ่ะยอมรับได้ว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์จริงๆอ่ะทีนี้การเห็นทุกข์แต่ภายนอกเห็นทุกข์แบบภายในเห็นทุกข์ได้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนะยธาปัญญายะปัตสติอัตตินปพนติทุกข์ี อสมมกโกวิสุตยาเผื่อมันจะเห็นทุกข์ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันยิ่งมันยากนะ้ยส่วนมากคิดเอาทุกข์จวดปวดแข็งปวดขาปวดเมื่อยเบื่อหน่ายงงงิดประมาณนี้ตื่นไปเนี่ยแต่ว่าเห็นอยู่นี่แต่เห็นด้วยความคิดเห็นด้วยการตรึกตามอาการปรุถุเยาวา อ, อย่าใช้การดูด้วยตา ก, กะ ธรรมะเนี่ยแต่ให้เกิดวิปัสนาญาณเนี่ยให้เกิดวิปัสนาญาณนะในการเห็นเนี่ยเกิดญาณทัศนะเกิดธรรมไจักสุเนี่ยกต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตาได้มาจากไหนเนี่ยได้มาจากการฝึกสตินี่แหละสติเนี่ยทำให้มันต่อเนื่อง เห็นธรรมคือเห็นเลยเห็นความง่วงเป็นอนิจจังเห็นเป็นอนัตตาเห็นกามเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความหงุดหงิดอดัดเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความคิดความปรุงแต่งอะไรทั้งพวงเนี่ยเห็นมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นมันเกิดมันดับให้ได้ทีนี้เห็นการเกิดดับด้วยปัญญากับเห็นด้วย ด้วยการตึกไปเนีย่ยมาง่วงมาก็เห็นมันเกิดมาแล้วก็ดับไปมันเบื่อมาก็ดับไปมันคิดมาความคิดอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ไม่ใช่ธรรมะนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมะแท้ที่ลึกๆที่จะต้องการให้รู้นี่นะอันนี้ไม่ค่อยมีผลต่อชีวิตเนี่เนี่ยเรารู้เห็นอยู่แต่ก็แค่แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเนะ่ะ เพราะมันไม่ใช่การรู้แจ้งไงงันพวกเธออย่าทำเล่นไปนะไอเนี่ยเราเสียเวลามาเจ็วันเนี่ยปฏิบัติทำชาติปัญญาวความสามารถเรามีบารมีเราพร้อมถ้ามีความตั้งอกตั้งใจแลวสังเกตดูนะบางคนอาจจะไปได้ไกลนะแับเรามัวแต่มาเล่นอยู่กับความคิด อยู่กับอดีตกับอนาคตมัวจะมาเล่นอยู่กับเวทนาอยู่มาเล่นกับความว่วงความเงาอยู่กับบรรยากาศของเชียงใหม่อะไรอยู่ประมาณนี้ยากไหเวลาเวลาเสียไปเจ็ดวันเท่ากันแต่เชื่อเถอะคนที่พยายามเจริญสติต่อเนื่องเตียบเสมือนมาฝีเท้าดี มันจะไปได้ไกลได้ไวคนที่มีความพยายามแต่คนที่ไม่มีความพยายามก็เจ็ดวันจะเป็นวันที่คือเห็นแต่ทุกข์นะแต่ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นมรรคไม่เห็นผลอะไรกเขามีแต่ทุกข์แล้วก็จิตเขาทุกข์มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จมลงไปในทุกข์นะ จมลงไปในความคิดจมลงไปในความง่วงเหมือนคนตกในน้ำนี่นแหละโดดขึ้นลงมาหายใจโดดขึ้นอยู่นี่นแหล ะ, ะปากซ้างับซ้างับมันขึ้นไม่ได้คนตกลงไปในความคิดเนี่ยก็คือคนโง่นั่นแหละตกลงไปในความม่วงจมอยู่ในความม่วงก็คือคนไม่มีปัญญาแม้สามารถเห็นธรรมะคือธรรมชาติพวกนี้ที่ทำร้ายชีวิตเราเนี่ยเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ได้กระทบทีไยเป็นตัวเป็น ต, ตนทุกทีเนี่ยง่วงก็ง่วงนานเป็นตัวตั้งอยู่ในจิตตัวเองตัวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ในจิตตัวเองเอาออกไม่เป็นเนี่ยคิดอดีตอนาคตคิดถึงลูกถึงหลานถึงปู่ถึงเมียต้งตั้งอยู่ในใจออกไม่เป็นสะบัดไม่หลุดเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่รู้จักธรรมชาติของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยเป็นอนัตตาได้ยังไง เป็นอ น, นิจจังแบบไหนเนี่ยมันมองไม่เห็นังนั้นวันวันหนึ่งมันก็วิ่งอยู่กับอันนี้และ ว, วิ่งอยู่กับความทุกข์นี่แหละแล้วแต่ว่ากิเลสมันจะใส่หัวมันไปทางไหนดังนั้นปัญหาของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่การไม่รู้แจ้งอยู่ที่อวิชชาอาวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้งเพื่อไม่เกิดวิปนนัสสนาญาณหรมา พอไม่รู้แจ้งปุ๊บมดเลยนะพอไม่รู้แจ้งทุกอย่างมันทำตามความคิดหมดเลยเพราะมันไม่เห็นตามความเป็นจริงไงว่าชีวิตนี่คืออะไรชีวิตนี่คืออะไรเชื่อว่าชีวิตนี่คือกายกับใจชีวิตนี่คือรูปกับนามมันก็ไม่รู้แล้วมันไม่ยอมรับแต่เหมือนเหมือนเข้าใจอ่ะแต่มันยอมรับมันไม่ลงลึกจิตเนี่ย ชีวิตนี่คือองค์ประกอบของธาตุสี่ันธนะ่ะมันรวมกันแล้วมึงเลยเป็นแบบนี้เฉยๆแต่ตัวตนมันก็เยอะมากดูสิแต่และคนจะไปทำงานนั่นจะไปเอาอันนี้จะไปเป็นโน่นเป็นนี่ยุ่งยากเรื่องลูกเรื่องกรอบคัวเรื่องธุรกิจการงานดูดิดู ด, ดิจิตมันไม่ได้ปล่อยเราเลยตัณหาเนี่ยนะพอเราไม่เข้าใจชีวิตสักอย่างเดียวต น, นะ ความไดเยื่อแต่ยันมันเกิดสูงมากอ้นั้นก็เอาอ้นี้ก็จะเป็นจิตเนี่ยแล้วเรามาดูดูซิดูสภาวะจิตที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงที่รู้เฉยเฉยเนี่ยมันเป็นยังไงรู้เฉยมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่คิดเดี๋ยวมันก็คิดเพราะมันยังไม่เกิดปัญญา การเกิดปัญญาคือการเห็นแจ้งนะเราเรียกว่าวิชาเกิดนะแต่ถ้าจะมารู้ตีนรู้มือนิดหน่อยเนี่ยมันไม่พอที่จะเกิดวิชานั้นได้มันไม่เป็นให้หรอกนะคุณต้องกล้าตายอ่ะบฏิบัติธรรมเนี่ยต้องขยันเยอะๆต้องกล้าที่จะอยู่กับปัจจุบันกล้าจนอันเนี่ยกล้าไม่มีอะไร ต้องกล้าเป็นคนที่ไม่มีอนาคตไม่มีอดีตต้องรู้ตัวอย่างเดียวอันนี้แล้วรักมันด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยคุณจึงจะเห็นชีวิตของคุณเด็ดแท้พอคุณเข้าใจชีวิตคุณแล้วคุณจึงจะสามารถคิดออกว่าคุณจะทำอะไรกับชีวิตเดี๋ยวนี้บางคนเราดูนะชีวิตมันสับสนอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสารพแล้วแต่มัน ตัวปรุงแต่งจะใส่หัวไว้ทัางไหนเพราะอะไรเพราะมันไม่ชัดในกระบวนการของการเห็นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่ชัดสักอันนะ่ะเราก็เลยมาเฝ้าดูชีวิตเนี่ยให้มันชัดชัดดูชีวิตแบบไม่ต้องมีอคติลองดูดิไม่ได้ดูชีวิตเพราะรักไม่ได้ดูเพราะชังไม่ได้ดูเพราะกลัวไม่ดูเพราะโกรธเพราะโลภเพราะลงนะคือให้มัน เป็นจิตรูร้ล้วนๆเนี่ยอุณธรรมลองดูดิสักชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วที่ทําเนี่ยเห็นได้แค่ชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วมันจะเกิดเกิดวิปัสนาญาณขึ้นหรอกนะแต่ถ้าขี้เกียจได้ไขาลานอยู่เรื่อยเนี่ยโอ้ยนะมันก็ต้องตายแล้วตายอีกแหละตายแล้วเกิดอีกอยู่นั่นแหละชีวิตเนี่ยทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่นั่นแหละพอะมันไม่ยอมเดินทาง มันไม่ยอมกินยาเราหรืออ่านสลากยาให้มันทุกวันทุกวันมันก็ไม่ยอมกินมันมีอย่างเดียวคือไปกลมบีบคอมันแล้วก็จับกรอกลงไปบางนี้กินยากินยาอย่าได้หลอกมันอีกนะหวานนันี่หวานนะขนมนะยังพูดอีกมากมายหลากหลายอันนี้มันจะช่วยชีวิตคุณนะเนี่ยคุณจะไม่เป็นทุกข์นะถ้าคุณได้อันนี้นี่พูดอยู่นี่แหละมันก็ยังไม่เอาบางทีเนี่ย กินยาก็ต้องกินต่อเนื่องมันถึงจะเกิดผลนะเขาว่ายานี้กินสามเม็ดนะต่อเนื่องรล้บุกเขาทั้ ง, ว, นนงวันทั้งคืนสามวันเจ้าคืนไม่ได้นะมีปัญหาหริอทีกินวันนี้เม็ดหนึ่งปีหน้าจริงๆกินอีกเม็ดหนึ่งยากนะเนี่ยเขาว่าต่อเนื่องก็ต่อเนื่องอย่างป่อยเนื่องเจ็ดวันก็ทําให้มันต่อเนื่องจริงๆเจ็ดวันเนี่ยเราลึกรู้เนี่ยอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับชีวิต คือการฝึกสติให้อยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอเนียอุปกรณ์ก็ไม่มีใช้แต่สติแล้วก็ความขยันอันเนี้ยไม่ได้ไปเข้าห้องแลบไม่ต้องเสียค่าทงค่าเธอมอะไรมากมายหลากหลายยิ่งถ้าทำเป็นแล้วกลับไปอยู่บ้านนี่รละลึกรู้ได้เลยทำอะไรก็ระลึกรู้สติอยู่กับตัวเองใช้ตัวเองได้ ตัวตาถามว่าชีวิตคืออะไรในนี้ตอบไม่ได้นะเนี่ยถามคนที่อายุเยอะที่สุดก็ยังไม่รู้นะว่าชีวิตคืออะไรเนนี้ชีวิตคืออะไรตอบไม่ได้มีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ยก็ว่ามีอยู่แต่มันคืออะไรตอบไม่ได้มันคืออะไรหนละ่ะเพราะมันไม่เห็นแจ้งไหนง แต่ว่ามันมันมองภาพของชีวิตเดี๋ยวนี้บ่มันไม่เห็นแจ้งมันก็มองชีวิตไปที่กลุ่มก้อนของธาตุของขันหรือมองไปที่พฤติกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคืออะไรแล้วมันควรจะเป็นไปยังไงก็จะมองไปที่นั่นธาตุมันทำไงขันมันทำไงมันจะมองไป่างนั้นดีแล้วก็นึกสำคัญมันหมายในสิ่งที่ตัวเองกาลังมีกาลังเป็น จิตมันคือไปยึดติดเกาะเขียวไปนั่นแหละแล้วควนขวายกระเสือกกระสนเพื่อจะให้ชีวิตมันเป็นแบบนั้นให้ได้แต่พระพุทธเจ้าทั้งห่ามันไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไนี่ไหลไปสู่ทุกข์แต่เราก็ไม่รู้มันเป็นทุกข์จะเอาจริงเอาจังกับมันนะเพราะเรารู้ว่าชีวิตคืออะไรคือหอมคือหวานคือเผ็ดคือมันคือเค็ม ชีวิตคือลาบยศสรรเสริญชีวิตคือชื่อเสียงชีวิตคือการมีเงินทองเข้าของมีอะไรเยอะๆมาแล้วเราก็เลยกระเสือกกระสนที่จะทำเพื่อให้ชีวิตมันเป็นแบบนั้นไงเพราะเราไม่รู้แจ้งเรื่องของชีวิตจริงๆนั้นพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงเราก็ทำเพื่อมันทำตามมันมันให้เราทาตามนั้นเราก็ต้องทำตามนั้น มันนี่หมายถึงตัวกิเลสนะหมายถึงตัวเอาวิชาจึงมาทำให้มันเกิดวิชานี่วิชาไม่ได้เกี่ยวกับตำหลับต้ราอันนี้มาดูใจเราเลยอันนี้ดูจิตตัวเองเลยเวลาไปนอนเนี่ยระ ล, ลึกรู้บ้างนะลอ ง, ลองไปนั่งสร้างจังหวะระลึกรู้ ตื่นขึ้นกันล ร, ร, รู้ลองลองบ่มให้มันได้ต่อเนื่องลองดูแล้วอย่าพูดกับคุยกับใครใส่ใจที่จะระลึกรู้เนี่ยไม่เอาไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะวางให้เหลือแต่ตัวพุทธรู้ตื่นเบิกบานล้วนมาเนี่ยไม่เอาการบรรลุนะฮะไม่เอาธรรมะไม่เอาอะไรนะ เอาแต่ความรู้ตัวรู้สึกมันมันรู้สึกตัวแล้วมันก็จะเป็นอะไรหรอกรู้สึกกายโดยธรรมชาติรู้จิตโดยธรรมชาติมันนะดูกายอะไรที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยมันจะเห็นหมดอนะความคิดความว่วงความง้ความอะไรเกิดขึ้นเห็นหมดฉั้นอย่าเพิ่งไปใส่ใจหารายละเอียดกับชีวิตเนี่ยดูภาพรวมๆมันก่อน ทำของเยอะๆเนี่ยให้มันเป็นของน้อยๆก่อนนะให้มันเห็นแค่รูปเป็นเพียงรูปเพียงนามซะก่อนเห็นกายเนี่ยเป็นเพียงรูปเพียงนามทำไงมันจะเห็นเป็นเพียงรูปเพียงนามเรามองกายนี้มองชีวิตนี้เป็นเรื่องอดีตอนาคตหนอนเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปเป็นนามให้สักทีนะเป็นเรื่องรักเรื่องชังเรื่องอดีตอนาคตหนอเนี่ยชีวิตอนนี้ ฮันต้องตัดออกกระแสของสังสารวัต่ตัดออกตัดตัวพรุงตัวแต่งงอกตัดออกไปเรื่อยๆความคิดความอยากมันอยากอะไรตัดออกตัดออกจนทั้งหมดเหลือแต่ตัวรู้ล้วนตัวรู้นี่มันลวนล้วนมันชัดชัดตัวรู้นี่มันเป็นสติด้วยเป็นปัญญาด้วยเป็นดวงตาด้วยเป็นธรรมจักสุเป็นญาณเป็นคืออยู่ในตัวรู้ล้วนนี่แหละ เพียงแต่ว่ารู้สึกตัวนี่ก็จบทั้งหมดนะแต่รู้สึกตัวมันไม่ใช่รู้แต่มือแต่ตีนหนึ่งเดียวนะั่นที่ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยรู้ทั้งหมดที่มันเป็นธรรมะที่จะปรากฏขึ้นกับชีวิตเราคือธรรมะคือธรรมชาติอนะันนั้นี่ยธรรมชาติทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งและจะล่วงรู้พอหยุดการปรุงแต่งจะเข้าไปสู่ภาวะที่เป็นไม่ปรุงแต่งจากสังขารไปสู่ความเป็นวิสังขาร ไม่ใช่จอยู่ตื้นๆแค่รู้มือรู้เท้าไม่ใช่แต่ในเบื้องต้นคือทำสติมันมั่นคงก่อนเถอะประคองสติรละลึกรู้ให้มันต่อเนื่องก่อนเถอะแล้วตัวสติเผื่อเราจะรู้สึกตัวได้เยอะๆเนี่ยมันเกิดการเฉือนตัวง่วงออกเฉือนตัวเหงาออกเฉือตัวฟุ้งซ่านออกตัวปรุงแต่งออกตัวกิเเสตนาฬิามันถูกเฉือนออกมันถึงจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเป็น นะันเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยยากบางคนผูกกิเลสมาจากบ้านเป็นทำผาบน่นนไม่ปล่อยไม่วางอันนี้วางอันนี้มาบริปธรรมวางลงวางลงวางมีพรามคนถึงไปหาพุทธเจ้าในที่พุทธเดียวบอก่าเก็ถือดอกไม้ไป เอาวางเธอพราหม์แกก็วางข้างซ้ายวางสิพราม์วางท่างขวาไปอ่อวางสิพราม์เอ้าไม่เห็นเลืองผมวางหมดแล้วเดี๋ยววางทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะที่อยู่ในใจเนี่ยวางดิวางเป็นไหมโอ้อันนี้วางไม่เป็นทีบอวางไม่เป็นถ้าวางไม่เป็นความคิดความเห็นมันก็จะเกิดการขัดแย้งมันจะเป็นทุกข์อยู่ โจ้ชเขเลยสอนวิธีวางวางอุปทานในขันหน้าให้เอา้าแกกกเลยได้ดวงตาเห็นดำดีนะนั้นเรามาที่นี่เราวางมากน้อยแค่ไหนถ้าวางไม่เป็นหรือมันชอบติดความคิดนะจิตเรามันเป็นว่างๆนะเป็นภาวะว่างๆแต่อีกหน่อยความคิดมันมาติดแวบแวบเขามาติดนั้นถ้าคุณไม่อยากให้มันติดคุณต้องรู้สึกตัวเยอะๆ ถ้ารู้สึกตัวเยอะเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันจะหลุดออกหลุดออกหลุดออกตัวยึดติดเนี่ยยึดจิตเราเนี่ยแต่ถ้าความรู้สึกตัวน้อยน้อยมีแต่จะคิดเอาคิด ถ, ถ้ามันความคิดมันไม่หยุดหอกมันคนละเรื่องกันเหมือนหลวงพ่อเทียนว่าเหมือนกุญแจเนี่ยไปคิดเอาก็คืองัดไปงัดมาเนี่ยมันไม่ออกวิธีการคือหาลูกมันให้เห็นและเสียควาไปงัดครับ มันจะออกมกันคนเดียวคือสติเนี่ยสอดเข้าไปในจิตเราเนี่ยแล้วลึกรู้เนี่ยมันจะหลุดแต่ถ้าไม่ได้สตินะคุณเป็นทุกข์กับความคิดจนตายนะแล้วคุณก็หลงหลยว่าประสบผลสาเร็จหลงว่าล้มเหลวอยู่นั่นแหละชีวิตเนี่ยประสบผสเร็จในชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานประสบสำเร็จในการบริหารชีวิตเอาอยู่นั่นแหละ จนตายความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าการเวียนไหวในสังสารวัตรการเวียนไหวเวียนเกิดชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเวียนมาการสังเกตดูนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยต้องสอติต้องเยอะๆต้องเอาสติมัสังเกตสติมันอยู่ก็รู้มันอยู่มันไม่อยู่ก็รู้มันไม่อยู่ทําห้มันตื่นตัวธรรมะของบระพุทธเจ้าจริงๆ มันอยู่กับเราอยู่กับพุทธศาสนิกชนทุกคนเลยนะพิกสุพิษุณีบาสุวาสิกากับใครก็ตามอะ่ะยิ่งถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งมันอยู่ไะไรยู่การแต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจที่จะมา ล, ะลึกรู้เราคิดว่าต้องไปนั่งนิ่งต้องไปอยู่กับตํารับตำราต้องแบบนั้นต้องกูบาอาจารย์เคร่งขึงโ ด, ด่งดังมีชื่อเสียงเลย ไม่จําเป็นธรรมะนี่อยู่กับเรานี่แหละนะเอาธรรมชาติของความม่วงออกซะมองไกลๆมองไกลให้มันม่วงเอาธรรมชาติของความคิดออกซะเอาธรรมชาติพวกนี้ออกแล้วตัวธรรมชาติที่แท้จริงมันจะโผล่ขึ้นมาของมันเองหรอกตัวง่วงกับตัวคิดเนี่ยไล่มันออกใหญ่ๆมันมีแล้วตัวนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาของมันเองแต่นี้ เรากเห็นธรรมะแต่เราไม่ยอมเอาพวกนี้ออกแล้วมันจะออกเป็นแล้วมันไม่ห อ, อกนะมันไม่ออกไปได้เหมือนเอาไม้ไปทับพื้นที่ไว้เนี่ยเห็ดมันจะงอกไหมมันไม่งอกเห็ดมันงอกได้ไงอ่ะไม่งัดไม้ออกไม่งัดความง่ออกไม่งัดความคิดออกจะไปงัดตอนไหนงะดตอนกลางวันนอนเถอะนะบรรยากาศที่มันชอบงอกเลยมันงอกได้ตลอดเวลาเห็ดอันเนี้ย คนไปเก็บเห็ดก็ได้เห็ดคนไปเก็บอารมณ์เก็บสมาธิก็ได้สมาธิคนเก็บสติก็จะได้สติอ่ะมันงอกได้ไม่เลือกการเวลาเป็นคำมั่นคสอนของพระเจ้าที่สามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเราสวดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาค่อยสังเกตเอาเนี่ยสังเกตไม่ได้ให้ทําอะไรที่นี่ไม่ต้องมาคิดหาอะไรเห็นไหม ศา ส, สนาพุทธนี่ไม่ได้เกี่ยวกับคนความรู้เก่งความรู้สูงไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับยศฐารรดาศักดิ์ไม่เกี่ยวกับคนอ่านเยอะอ่านไมย่ยุ่งตรงนั้นนะศา ส, สนาพุทธอยู่ที่รู้สึกตัวนั่นเองอยู่ที่สติคําสอนพรเย่ า, านี่รวมลงในสติคือความรู้ตัวคําว่ารู้ตัวนี้ก็เป็นคําพูดของหลวงพ่อเทียนนะในประเทศไทยนี่ถ้าหลวงพ่อเทียนไม่เกิดขึ้นเนี่ย คงยากนะนะคงยากที่จะมาสื่อสารความหมายอะไรได้ให้คนเข้าใจเนี่ยหลวพ่อเทียนท่านไม่มีปริญญาคือท่านไม่ได้เคยเรียนหนังสือท่านเรียกว่าหูเมื่อหูรู้สึกตัวทําอะไรให้มันรู้สึกตัวเนี่ยง่ายงายแต่ก่อนนั้นเหรอความระลึกรู้ความตระหนักรู้เนี่ยให้มีความตระหนักรู้ให้มีความระลึกรู้ เลยลึกรู้ได้ในจิตที่ทําคําที่พูดแม้นานก็าเรียกว่าสติสัมปชัญญะมั่วไปหมดเลยอ่ะไม่รู้เรื่องนะบอกให้รู้สึกตัวเออง่ายหน่อยเนี่ยแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้น่นรู้สึกตัวคืออะไรเนี่ยคือท่านมาย่อยภาษาสับแสงศับศาสนาเนี่ยให้มันดูง่ายขึ้นนั่นเองเนี่ยแค่รู้พิกมือให้รู้สึกอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยคือให้ให้ให้รู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ยไม่รู้แต่มันคิดก็รู้มันคิดคิดหนอคิดหน้อไปโน่นนะให้ไปพูดโธให้เลยคือให้มองไปข้างนอกนั่นแ่ะมันไม่ได้อยู่กับตัวนั้นแทนที่มันจะเกิดปัญญามันก็เกิดไม่ได้สักทีเพราะมันไหลไปกับความคิดไหลไปกับความม่วงไหลกับตัวเวทนาทั้งหมด่ อันนี้ไม่เกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้านะปฏิบัติธรรมเนี่ยเกี่ยวกับภาวะที่เป็นปัจจุบันมันคิดตอนไหนเนี่ยมันจะเป็นกิเลสเป็นตัญหาไปเนี่ยมันคิดมาตอนไหนตัดตอนนั้นเลยนะกลับมาอยู่กับความรู้ตัวเลยทันทีมันง่วงก็ตัดออกมันเบื่อก็ตัดออกอะไรจะมายุ่งกับจิตเราเนี่ยยุ่งกับขันเราขันหน้าเราเนี่ยตัดออกหมดแหละอืม ให้มันมีแต่ตัวรู้ล้วนเฝ้าดูจิตเนี่ยเวลาเดินไปก็กำหนดรู้ไปถ้าเราตั้งใจทำอย่างนั้นวุ้ยปัญญายานเกิดได้แน่ๆเราจะสามารถเห็นชีวิตจิตใจแบบพลิกกับตลปัดเลยแหละแต่ถ้ามันไม่เป็นให้มันเห็นแต่เมื่อยนะเนี่ยเมื่อยเบื่อไง เขาเรียกว่าแม้แต่ทุก์ที่เห็นก็ยังไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าทรมานมากเลยซ้าไปอ่ะันปั้นสติให้ได้นะและเรืกรู้ให้ได้อันดับแรกเนี่ยรู้สึกตัวให้มากๆภาษาเขากลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทยานอ่ะหรือเยกอย่างนี้ว่าฌานปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันรู้ตัวอย่างเขาเรียกว่าฌานเรียกว่าทยาน คือพอสติมันเยอะๆแล้วเนี่ยบางทีเทศในฟังมันก็ปิ้งเนะ่ยมันเหมือนทะลุโคอันแต่ต้องให้มีฌานระดับหนึ่งก่อนต้องมีสติก่อนไม่ใช่เอาเด็กชาวบ้านม า, าฟังธรรมะ ย, ยากนะนีนะ่คือมันต้องมีสติระดับหนึ่งก่อนมีสมาธิระดับหนึ่งก่อนเวลาฟังอะไรแล้วมันจะปิ้งไวขึ้นนะ ยิ่งมีจิตมันมคล้อยตามหรือเห็นด้วยเนี่ยยิ่งไวอนิวาธรรมฟังจากข้างนอกก็เข้าใจฟังจากข้างในดูจากข้างในก็เห็นแจ้งลืมตา ก, กว้างๆนะยหยมันหลับประคองสติตัวรู้ไปใจมันว่างก็รู้ว่าว่างไม่ว่างก็รู้ตัวรู้รู้เฉยๆรู้สึกแล้ว ขย่วให้มีแต่ตัวรู้ล้วนๆอย่าให้อะไรมันมายุ่งกับมันสลัดออมันไม่ออกก็ช่างรู้สึกไปเรื่อยๆเลยๆ เ, เ, เ, เ, เดี๋ยวก็หายไปหายไปหายไปนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราสะบัดได้แบบแรงๆในตัวง่วงปิ้งทิ้งเลยตัวฟุ้งซ่านหลุดพวอกอไปเลยเนะีแต่ว่ามันต้องมีกําลังของสตินี่เยอะๆก่อนมันจะทำอันนั้นได้ในเวลาเขา ให้สร้างสตินะี่ยอย่าไปอ่านอะไรอย่าไปดูอะไรอย่าไปกินอะไรอย่าทำนู่นทำนี่เนะียใส่ใจที่จะรู้ตัวนี่มันชัดชัดไปเรื่อยๆประคองไปเรื่อยๆให้หนุนแต่ตัวรู้แล้วก็อดทนต่อวทนาที่ความคิดที่มันสั่งเราหน่อยนะต้องทนต่อวทยาทนาระดับห ย, ยาบๆได้พอสมควรนะปฏิบัติทำเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บน้อยเจ็บนิดเ ป, นนนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแต่หลุดไปมดไม่ใช่ต้องทวนกระแสด้วย เราต้องเห็นทุกแบบชัดๆด้วยหลวงตา ว, าว่าให้ฟังว่าวันก่อนมีเด็กตัวเล็กๆนะี่ะป .4 ป .5 นี่ไปปฏิบัติธรรมมันนั่งไม้หินที่วัดนะจู่ๆมันก็หงายหลังลงไปมันง่วงแต่การเห็นมันไม่ได้เหมือนพวกเราในสิปัญหามันนะเวลาหลวงตาเดินไปมันนั่งหลวงตา ความง่วงมันทำร้ายหนูน่ะมันว่าหนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันทำไมมันมาทำร้ายหนูจนตกเก้าอี้น่ะเอาเธอแอบดูมันดิทำไมมันถึงไปทำร้ายเธอเน่ะมันทำได้ยังไงหนูก็ไม่รู้อยู่ๆหนูก็ง่วงมากมันผลักหนูจนตกเก้าอี้มันเลยไปนั่งดูดูดีดูที่ดูที่มันทำยังไงอ่ะ มันถึงร้ายเธอขนาดนั้นนไงหนังตาเธออยู่ข้างบนดีทำไมมันดึงออกมาปิดเข้าหากันได้เนี่ยมันก็ไปนั่งเฝ้าดูนะเนี่ยความง่วงทำร้ายมันเนี่ยมันจะไม่ให้ทำร้ายมันว่ามันก็ไปเฝ้าดูของเรานี่หลับแล้วแเรวอีกมีแต่จ็ดยินดีเนี่ยยินดีมันทำร้ายไอ้เนี่ยมันไม่ได้เชิงหนชนที่มันไม่ได้เกิดปัญญาปานนั้นไม่ได้ฉูกคิดมันไม่ได้เกิดกันเฉลียวใจ จิตเนี่ยเราง่วงถือว่าธรรมดาคนเราเกิดมาก็ง่วงแหละอย่างโน้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้เลยยากนะฮะเฉลียวใจไม่มีไม่มีความฉลาดทางอารมณ์อืมไม่มีโอกาสได้เห็นเห็นหเห็นความละเอียดของทุกข์ที่มันทำร้ายเราเนี่ยเห็นแต่ทุกข์บหยาบตอนไหนต้องอกหักตอนตกงานเราคิดมากอะไรประมาณโน้นถึงจะรู้สึก นั่นไม่มีโอกาสได้เห็นธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นมูลเหตุของการที่ทําให้ใจเรามันเป็นของแต่งเป็นทุกข์แบบแล้นนะไม่มีโอกาสเห็นนั้นคุณต้องละเอียดเยอะกว่าที่คุณเป็นถ้าอยากเห็นธรรมะเนี่ยถ้างวนคุณจะหอบไปหอบมาเจ็ดสำนักแปดสำนักสำนักโน้นสำนักนี้แต่คุณไม่เคยหาตัวคุณเองสักทีอข้างในเนี่ยคุณไม่เคยดูมันสักที ดูมันทุกมันปรุงแต่งแล้วมันลากคุณไปนู่นไปนี่มันลากได้ยังไงเ่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันเลยนะชีวิตเนี่ยอืมแล้ววันเวลาที่ผ่านไปก็เหมือนเสียเปล่าครอายุยิ่งแก่แต่ก็เรายังไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะเบนเข็มมาธรรมะเนี่ย ไม่ยังมองกลับมาหาตัวเองเลย ว, วันวันหนึ่งจะมองพุ่งไว้ข้างนอกเป็นอภิชาโธมนัดสั่งมันมองไปข้างนอกมดลองดูดิสะสมตัวสติมันต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาสติให้ได้ดิมหาไปว่าใหญ่ไปว่าเยอะไปว่ามากไปว่าต่อเนื่องส่วนมากตอนยกมือก็รู้บ้างคิดบ้างอะไรประมาณนั้นโอ้ยมันไม่เป็นให้เราอีนโน นะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเลยนี่เพรามันชัดเจนเนี่ต้องสลัดทุกให้ไวมันรู้มเป็นทุกทิ้งทันทีง่วงมาทิ้งทันทีเบื่อมาทิ้งทันทีคิดมาทิ้งได้ทันทีสติคุณต้องเป็นวะสีคือคล่องแค้าวในการที่จะสลัดไอตัวปรุงแต่งที่เข้ามาในใจเหมือนในจิตนีนะ่อะไรเข้ามาเนะีก็บออกไวไวเนี่ ออมันพุ่งแก่มาออกมันว่วงมายออกอาออกอยู่เรื่อยๆเนี่ยทาเป็นไหมนะแล้วเฝ้าดูใจตลอดเวลาไปห้องน้ําก็เฝ้าดูใจตัวเองใจเหมือนเนี่ยเฝ้าดูกินข้าวก็เฝ้าดูอะไรคือเฝ้าดูเนะี่ยเฝ้าดูใจเนี่ยอยาให้อะไรตกลงไปความพอใจความไม่พอใจเอาออกทิ้งให้ไวๆให้เหลือแต่ตัวรู้ล้วนเฝ้าดูจิตตัวเอง น, ะนั่นแหละเขเรียกว่าอยู่ตรงประตูมันอนะ ไม่ได้ยินเหลือท่านสุนเชาพูดเมื่อเช้าเนี่ยกายเหมือนต้นผูกายเนี่จิตเหมือนกระจกเงาใสกิเลสก็คือสิ่งที่มันตกลงไปในกระจกนั่นน่ะเช็ดทุกวันทุกชัมม่วโมงตอกอะไรตุนเช็ดเช็ดตุวันวันมันก็ใสก็ผ่องผู้เยาวท่านเบื่อแล้วอันนี้คนรู้ท้าอ้คนท่านสังคราชหกอิมเนี่ย รู้ธรรมะรู้หนึ่งเลยนะโอ้น้าเคารพหนะ้าความคิดอันนียเอาจัดจุดทูปจุดทเทียนบูชาปฏิบัติได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกันน่ะเช็ดมันดิกระจกเราเนี่ยมันง่วงมาเช็ดออกมันเบื่อมาเช็ดออกกระจกส่องใจเนี่ยเช็ดออกเช็ดทุกวันเช็ดทุกวันดูไปเรื่ยๆท่านบอกทํานานๆ น, น, นะเนี่ยนะ เดี๋ยวเธอก็จะรู้แจ้งเองนะ่ะเธอทําได้ขนาดนี้แต่ว่ามันยังไม่รู้จริงรู้แจ้งอันเนี้ยนีขนาดเราเช็ดความคิดเราทุกวันทุกวันนะเนี่ยมันยังไม่แจ้งมันก็ตั้งใจที่จะเช็ดมันสม่ําเสมอ น, นี่ไม่ใช่ตอนเดินจุกรมก็เช็ดบ้างเอาใส่บ้างเดินจุกรมวันนี้ได้เรื่องนั้นเดินจุกรมวันนี้ได้เรื่องนี้ตอนเย็นมาโจทไว้จวดไว้โอ้ยจะไปจโจทย์โจมมั้ย อย่าไปจดอย่าไปบันทึกอะไรมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตัดความคิดออกอย่าไปบีบความคิดให้มันเกิดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบางคนมีจะจดมีจะบันทึกไปบีบความคิดทำไมเดี๋ยวนี้จะสลายความคิดตั้งเดี๋ยวนี้คิดดีก็ช่างอย่าไปยึดเอาเขาจะเอารู้แจ้งอันนี้เขาไม่ได้มาหาความจําจําได้ท่านพูดแบบนั้นมาเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันความคิดเนี่ยใช่ไหม ให้เหลือแต่รู้รู้รนร้วนนะเนี่ยเห็นแต่ความเกิดกับความดับในจิตเราเนี่ยถ้าคนไหนทำได้มันก็ไวนะต้องเห็นอันนี้ก่อนเห็นขันเนี่ยใจที่ว่างๆใจที่โล่งๆเป็นยังไงคือพอรู้รูปนามมันจะเห็นอันนี้หรอกพอเกิดปัญญารู้แจ้งเรือรูปนามเนี่ยมันจะเห็นจิตว่างๆจิตโล่งๆจิตโปรงๆจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีทุรีมันเป็นยังไง โอ้มาาันสอาดเป็นยีนะเนี่ยแม้จะมันจะมีปิติเคลือบบ้างวิตกวิจารเคลือบบ้างความดีใจแต่ช่วงภาวะเวลานั้นในี่ยมันแป๊บเดียวเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหลังจากเมื่จะมีปิติมีสมาธิมีความอะไรเข้าไปยุ่งกับมันโอ้ใจว่างๆไม่เป็นทุกข์เป็นเวนอเราก็เช็ดเอาเลยอะไรเข้ามาเช็ดออกเช็ดเอาไม่แต่ความยิน ด, ดีความพอใจก็เช็ดออกอืต้องขยันนะ่ะอันเนี้ยบางคนเช็ดไปเช็ดมามีฝาปิดครุบทันทีเลยตรงนี้เนี่ย อนะปิดเป็นวิมุตไปเลยอนะ่ะวิมุตเคยมุดน้ํำไหมวิมุตก็จะเป็นแหวนนั่นแหละมุดออกจากกิเรศไหมฮะที่มันเคยเกิดตัวนี้บ่อยๆบ่ยๆเนี่ยเออมันไม่มาเกิดแล้วเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มาแล้วเนี่ยชีวิตนี่สั้นนะนิดเดียวอไม่ในอะย่างนั้นปฏิบัติทําได้เร่น้หัวเนี่ยออกจากนี้เป็นลดความตายหมู่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าทางมันก็โค้งเยอะ คนไนเจริญสติน้อยนี่ก็ไปโยมบนโลกหมดเลยเนี่ยไม่แน่นะเกิดตอนเย็นก็เป็นโรคฮารชิอีเลยไหลาตายอะ่ะทางประเทศเขาไม่ค่อยมีนะโรคไหลาตายเนี่ยนี่เขาให้ทุนมาวิจัยอะโรคไหลาตายมีแต่ในประเทศไทยยินเนียแล้วส่วนมากก็จะเป็นที่ภาคอีสาน อาจจะมีส่วนเรื่องข้าวเหนียวเนี่ยแต่เราก็ไม่กลัวคนไหลาตายอยู่ที่สิงคโปร์นี่มนพระไปรถนำมนรถนำมนในไหนรถนำมนในที่ทำงานมีผีมีรถมินีเข้าสิงอย่างเงี้ยเห็นไหมคือมันไม่เข้าใจชีวิตมันโอ้ยไปหมดไปไกลนะสร้างควมงม ง, งายดาา ด, ดื่นมากมายหลากหลาย โปอก็ไม่แน่นะ้เนี่ยอย่าว่าแต่คยกูยไม่ใช่คนอีสานหรอกไหลาตายก็เป็นนะเนี่ยคิดมากปวดหัวก็มีนมบาอทีก็ยังไม่ตายหรอกแต่ว่ามันคิดเดยอะก็เท่ากับคนตายแล้วอคนประมาทแล้วชื่อว่าตายแล้วประมาทก็ขาดสติหลุดออกจากเส้นทางของมรรคผลนิพพานไปอยู่กับความปรุงแต่งแล้ว แค่ง่วงเนี่ยยังแก้ไม่เป็นนะยังอยากไปนิพพานโอ้ยยากแหละโยมง่วงยังแก้ไม่เป็นความคิดฟุ้งซ่านยังแก้ไม่ได้อยากหลุดพ้นอยากดับทุกชาตินี้หลวงตาได้ยินเขาว่านะเอาไว้ชาติหน้าใบบายเถอะมันมีบ่ายเดยอเลยชาตนหน้าไม่รู้เมื่อกันนะคุณต้องยกระดับจิตของคุณอย่าให้มันโง่านานถ้ามันโง่เนี่ย ขึงขังขึ้นมาลถึงเวลาตื่นตื่นเลยนะเอาอีกซะหน่อยเอาอีกซะหน่อยอยู่นี่เนนะ่ะเขาตีละครั้งก่อนเลยนะโอ้ยเขาคงเข้าห้าองน้ำอยู่หรอกมันจะอาจแน่นกูไปที่หลังก็ได้เอาอยู่ในใ น, น, นกิเลสนะคนโง่กว่ายอมแพ้กิเลสมันทิ้งมายาเล่มเดียวท่ันเดียงมาเนี่ยเซ็จมันแหละ มันไม่ได้ใช้สองร้อยสามร้อยห้า้อยเริ่มเกี่ยไม่ได้ใช่หรอกเริ่มเดียววิ่ออกไปนะัเป็นไข้หวัดนะเนี่ยตีแตครั้งอีกก่อนก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยฮันต้องสู้สู้สู้อันเนี่ยตายเป็นตายอันเนี้ยหลายๆคนนั น, นี่อาจจะลากับไอ้อากาศนี่คงจะเป็นโรคเก่ากําเริบอะไรมนาะคนไหนคิดว่าห่วงเรื่อง ร, ร่างกายสังขัน มันจะ ต, ตายอยา ก, กลับก่อนก็เชิญบาค น, ะนคิดว่าสู้ได้สู้เแต่เชื่อเถอะกลับไปก็ตกเป็นทาตความคิดเหมือนเดิมแหลนะแต่ถ้าอยู่นี่ยังมีโอกาสสู้กับมันนะยังมีหมู่สู้นะทีนี้นะบางคนเฮ้ยกูง่วงไปนี้กูกลับไปอยู่บ้านนอนดีกว่าไว้นอนก็ได้กลับไปอยู่บ้านแต่ก็ตกเป็นทาตุของนอนนะนะั่นแหละจนตาย อยู่ที่นี่ยังมีโอกาสฝืนยังรู้จักว่าการทะลุมิติเองความง่วงไปนี่มันเป็นยังไงอ่ะกำจัดความง่วงความเหงาเป็นเนี่ยเป็นยังไงโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดเนี่ยนะพึ่งพาแต่สติสัมปชัญญะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงคนจริงนะถึงจะรู้ของจริงคนไม่จริงมันก็รู้ของไม่จริงแล้ว แต่คนไ ม, ไม่รู้หรอกกิเลสตัณหาบีบขั้นจนตายมันไม่รู้ไม่รู้เพราะมันไม่รู้ไงนะฉั้นมาที่นี่เราจะมาเป็นพุทธะนี่มาเป็นผู้รู้ผู้รู้คืออะไรก็สติเราเนี่ยแหละสร้างขึ้นมาแล้วนี่ผู้รู้เราจะพึ่งพุทธะานี่พุทธะพุทโธนี่รู้ตื่นเบิกบานเราเนี่ยรู้ทำอะไรก็รู้ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเขื่อนไวเดียวหน้าเลี้ยวหลัง นุ p p. ่งเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำกินดื่มเคี้ยวหายใจรวมทั้งคัาพัฒนาพวกนี้ได้นะต่อไปก็คือแม้เวลามันคิดก็รู้มันคิดแล้วเนี่ยรู้มันปรุงแต่งขึ้นมานะนี่ยาวนี่รู้รู้เท่าทันมันเน่ะเนี่ยคิดอีกแล้วนะเนี่ยรู้มันก็จะไม่คิดไม่เผลอคิดเนะ คนที่มีสติในพุทธศาสนาคือไม่เผลอคิดสติไม่เผลอคิดนะถ้ายังเผลอคิดอยู่แสดงว่าขาดสติอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันคิดกี่เรื่องมันเผลอกี่ครั้งโอ้ยมากมายฉันเดี๋ยวนี้กำลังฝึกสติเพื่อให้ไม่ไม่เผลอคิด น, นี่ไม่ใช่แค่ยกมือยกไม้แค่ลมหายใจเข้าออกแค่ท้องพองยุบไม่ใช่ เอาจนมันไม่เผลอคิดได้เนีนะ่เนี่ยความคิดมันก็ไม่ได้มีอย่างนี้ตลอดหรอกมันไม่ได้เหมือนกระแสไฟฟ้าที่แบบนี้นานๆทีเดี๋ยวมันแว บ, บขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวมันแว บ, บขึ้นมามันไม่ได้มีอยู่ตลอดมันไม่ได้ทำงานตลอดหรอกยิ่งถ้าเราเกิดญาณปัญญาเข้าช็อตกระแสนี้ได้สักครั้งสองครั้งเนี่ย การทำงานมันจะอ่อนตัวลงมากความคิดเนี่ยความปรุงแต่งมันจะลดระดับลงเยอะมันเหมือนง่ายๆนะมันเหมือนมันเชื่องความคิดเนี่ยให้คิดก็คิดไม่คิดก็ไม่คิดนะอย่างความคิดธรรมะตะโมเนี่พอเห็นมันเสร็จมันก็หยุดนะเพราะอะไเพราะว่าแปลงผลักมันน้อยแรงต้านมันจะเยอะตัวสติเนี่ยมันเยอะ ถ้ามันไม่มีประโยชน์จริงพระก็ไม่มาทำงานแหละเนาะนีพระทำงานตั้งแต่ทีสามถึงสามทุ่มสทุสี่ทุ่ ม, มนูแล้วได้นอนเนี่ยเดินไปเดินมาไม่ได้มีค่าจ้างนะนี่ไม่ได้มีรางวัล น, นะนะไม่ได้เหมือนพวกเธอเลยจะเอาเดือนละเท่านั้นเอาปีละเท่านี้ไม่มีเนี่ยแต่เขาทาแบบสบาย สบายอกสบายใจโอ้ยช่วยเหลือคนคนนั้นก็แก่ความคิดได้แล้วนะคนนี้ก็แก้ง่วงได้แล้วนะแก่เหงาได้แล้วนะนั้นอยากให้เป็นแบบนั้นลุ้ตาไปเห็นนะเห็นพระแล้วโยมแห่ตามก้นพระนะผ้าไปไลยก็แห่ตามก้นพระเป็นลูกแอวิ่งตามก้นไปเรียนลุ้ตาโอ้ยสมเพีเวทนา เมื่อไหร่โยมจะรู้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่โยมจะเป็นเองโยมเมื่อไหร่โยมจะลงมือเอาจริงเอาจังการปานปฏิบัติของตัวเองนะ่ะเท่านั้นเองอะถ้าโยมเข้าใจโยมทำได้โยมก็จะจำแจ้งขึ้นมาไม่ต้องวิ่งตามอนะขาว่าไม่ต้องวิ่งตามความคิดไม่ต้องวิ่งความปรุงแต่งโอ้ยอาจารย์ดังที่นั่นมาอาจารย์ดังที่นี่มาไปแล้วเี่ ไปก็ไปเพื่อรับธรรมะในส่วนที่จะทำให้พัฒนาจิตมันสูงขึ้นแต่ไม่ได้ไปเพื่อชื่นชมบารมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นจุดมุ่งหมายมาคลณระแบบอะทีเนี่ยเราน่ยแหละเป็นอาจารย์น้อยขึ้นมาแล้ดีเป็นพุทธะ น, น้อยขึ้นมาใหญ่ๆพราเรามีตัวรู้แล้ว อืมฝากไว้หน่อยนะปฏิบัติทำเนี่ยอย่าไปนเน้นสมาธินะถ้าไม่จิตมันดิ่งนิ่งเนี่ยสักหน่อยจะแน่นนะอกนะมันนะนี้รู้สึกเฉยๆนะอย่าเข้าไปในความรู้สึกนะรู้สึกเฉยๆ เ, ยเห็นว่ามันคิดอย่าเข้าไปในความคิดนะเห็นอารมณ์อย่าเข้าไปในอารมณ์นะดูมันเฉย เอามาอยู่เลยเลืกรู้เนี่ยเวลามันว่างมันโล่งคุณเคออยอหลุดเข้าไปนะถ้าหลุดเข้าไปก็ติดปีติอีกลนะออกไม่เป็นเนี่ยลองให้ซึมพื้นว่าตื่นเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นผู้รู้เฉยๆเนี่ยให้เลือรู้เฝ้าดูเฉยๆในเบื้องต้นขอให้เกิดกายานุปัสสนาหรือรู้รูปนามให้ได้หรือเกิดกายยะตาสติให้ได้หรือรู้ธาตุสีเนี่ย สติอยู่กับกายเห็นกายในกายเนี่ยให้มันชัดเจนได้เบื้องต้นเนี่ยส่วนคนที่รู้กายระดับหนึ่งมันคงไม่ค่อยหลุดหรือปรุงแต่งก็น้อยละไม่ค่อยนานก็สามารถประคองสติได้ต่อเนื่องให้มันมีพลังมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะเห็นแจ้งในความคิดให้ได้อยู่กับกายก็เห็นแจ้งกายอยู่กับจิต ก็เห็นแจ้งจิตนะไม่ใช่ว่ามันคิดแล้วที่เล็กน้อยเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวก็แต่งกรทิ้งได้บางแพร่บางอันนั้นกแสดงว่ากําลังสะสมกําลังเจริญมรรคอะไรเจริญอริยมรรคทำให้มันต่อเนื่องตัวมรรคเนี่ยมากเข้ามากเข้าเข้าเดี๋ยวมันก็เกิดการสลัดตัวมันเองน่ยบางคนนะถ้าสติมันดีหน่อยขณะดยกมือสั่งจหวะเดีย ลมหายใจเข้าออกนี่ก็บางทีมันก็รู้ด้วยนะแต่มันสามารถเห็นว่ามันคิดมันคิดไม่คิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่ ง, ตงหดุดหยิดหลงไม่หลงมันดูได้พร้อมขนาดเดียวกันเนี่ยไปในตัวเลยนะเรียกว่ามีจิตตานุปัสสนาไปด้วยแต่อย่าพยายามที่จะไปดูความคิดนะ ยพยายามที่จะไปดูพยายามที่จะสะสมความรู้ตัวเนี่ยเยอะ ๆ, ๆตัวไปดูที่อะไรเพี่ยงพอมกลับมาที่ฐานเดิมใหม่กรรมฐ า, านนะมาอยู่ที่ฐานใหม่อย่าหลุดออกจากฐานฐานไหนที่มันจับยากเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันนะฐานกายจับได้เวทนา อยู่กับกายเยอะๆเนี่ยมันต้องทนเวทนาน้ำงี้ได้เวทนาแวบขึ้นมากัไม่ไหลไปกับเวทนาได้อยู่กายอยู่กับเวทนานเดียวกันนะแล้วต่อมาเวลามันคิดปุ๊บเวลามันลากเราไปเข้าไปในความคิดเ อ, อิ่มหลุดเข้าไปนะั้นหลงเข้าไปนะั้นเนี่ยเป็นโมหะแล้วนะั้นหลงเข้าไปในความคิดแล้วเราก็รีบกลับมาถ้าจะอยู่ดูมันใหม่มันก็ไม่หลุดก็รีบมาอยู่กับฐานฐานกายซะนะกรรมาฐาน ฐานแรกดูกายก่อนดูเวทนาอยู่เนี้ยดูความคิดเนี่ยเวลามันเป็นอารมณ์ปัน่นเข้าไปไม่ทันกระชากจิตระลึกรู้เฝ้าดูใหม่เรียนรู้ใหม่ออกมาอย่างนี้เพื่อจะมองใหม่ดูชั้นดูเชิงดูลูกเล่นลูกหามันนะ่ยว่ามันจัดการยังไงมันทําเราอย่างไงเนี่ยมันปรุงอย่างนี้นะมันทำอย่างนี้แล้วเราจะมีชั้นเชิงในการต่อสู้กับมัน เธอไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแล้วแมนนี่ปากเกี่ยวนะมันเป็นยังไงมันชดจนโด่งดังในระยะสิบปีมาเนี่ยนักมวยในโลกเนี่ยปอนต่อปอนเนี่ยเขากินขาดนะพอเธอก็เหมือนกันปั้นสติเธอขึ้นมาปะทะมันกับตัวคิดตัวงเนี่ยปอนต่อปอนกูจะกินขาดละเว้ยสู้ได้แน่ อากาศที่นี่ประมาณสักสิบห้าสิบหกองศาเนี่ยตีหนึ่งใครจะลุกมาเดินจยกมมก็ได้นะไม่ห้ามเดินขยันขยันตอนเช้าตื่นเสร็จปุบ๊บทําัุระเสร็จเดี๋ยวนี้เขาเปิดไฟให้เขาติดไฟไว้ข้างนอกหน้าอาสมเนี่ยไปทําความเปลี่ยนที่นั่นก็ได้หรือ จะเข้ามานั่งสร้างจังหวะในนี้ก็ได้แต่เขาไม่ค่อยให้เข้ามาปกติเพราะมันเข้ามาแล้วมันจะมานั่งหลับแต่เข้ามาแล้วไม่หลับเข้ามาได้ทุกเว า, าตั้งใจทำทำให้จิตมันตื่นตัวนะผ้าห่มว่าถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเอามาเอามาแล้วห่มคลุมอยู่ตัวมันก็อยู่ข้างในนั่นแหนะไม่จะหลับอีกแล้วมันตื่นตัว บางทีมันใช้ยังไม่เป็ น, นใช้ผ้าห่มใช้นู่นใช้นี่ถ้าเอาผ้าห่มมานะแทนที่เธอจะได้ใช้นะกิเลสใช้หมดเลยสติมันไม่มีในของเงินเดียวกันนะกิเลสเอาไปฉันตรงกล้ามีตาแทนที่ตัวเองจะได้ใช้มีหูแทนที่จะเอาได้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตตัวเองกิเลสเอาไปใช้หมด บางแห่งบางที่นะเวลาเขานั่งนะเขาจะมีหนอนหมอนรองก้นนะคือเพื่อให้ดันกระดูกสลังขึ้นมานะคนไหนมีอยากใช้ก็ใช้ได้นะใช้ได้หรือจะยกกระเป๋ามานั่งก็ได้นะาตามสะดวกอย่าไปอยู่กับความนิ่งนะเวลาทำเนี่ยจะไปอยู่กับสมาธิาเข้าไปในสมาธิ สมาธิคืออาการของจิตนะสมาธิแบบพุทธคือมันสงบเพราะเกิดการเห็นแจ้งมันสงบเพราะเราตัดความคิดความง่วงออกไปได้แล้วแต่ไม่ใช่ไปกดให้มันสงบกับอะไรสักอย่างไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมถนะมันสงบเพราะอะไรพราะมันไม่มีอะไรจะมาเกิดนะ่ะมันไม่มีความง่วงมาไม่มีความคิดมาเพราะเราตัดทิ้งได้หมดแล้วเราปล่อยวางไปแล้วน่ะมันก็เลยสงบ ไม่ใช่เม่อไหร่ว่าเรากดให้มันสงบเอาไม่ใช่ฉะนี้นอย่าเข้าไปเวลามันสงบก็คือดูมันเฉยๆพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดูมันไม่ใช่เข้าไปในความสงบเวลามันเกิดปีติก็อย่าเข้าไปในปีตินะปิติคือมันทําอะไรได้สักอย่างแล้วมันก็เกิดดีใจขึ้นมาเนียอย่าเข้าไปในตัวดีใจอนั้นอย่าเข้าไปในตัวสงบตัวสุขปัสฉิตริย์อย่าเข้าไปมันเกิดอาการอะไรคือ เราก็พยายามประคองตัวดูไว้เฉยๆดูมันโอ้ไป น, นี้เนาะดูมันเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปนะมันเหมือนรถอะไรสักอย่างที่เกิดมาจากจิตเราอะเป็นตัวธรรมารมณ์ตัวหนึ่งที่มาปรุงขึ้นมาในจิตเราเห็นโอ้สมาธิเป็นนี้เนาะก็ให้เฉยดูมันเฉยๆเป็นการอย่างโอ้เข้าใจอันนั้นเข้าใจอันนี้ขึ้นมาปิ้งขึ้นมาก็โอ้รู้เฉยๆดูมัน นะดูเยอะทั้งมันเกิดมันดับมันหายไปนันะ่นแหละลองดูดิเขาว่าเอาชนะคนอื่นหมื่นแสนทำได้ลองชนะใจตัวเองดูสักสักเจ็ดวันเนี่ยจะมีบ้างไหมชีวิตอะไรเนี่ยจ้าชนะมันได้พึ่งสติตัวเองอัตตาหิอัตโนโนะโถสตินั่นแหละเป็นที่พึ่งของจิตนะีลองดูดิ มันพึ่งสติตัวเองได้ไหมที่มีเนี่ยหรืออ่อนโผลเปียกไปหมดเนี่ยเราต้องทดสอบดูถ้าเราพึ่งสติเราได้เราไม่หวั่นไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ในนี้นมันก็ทุกข์มากคิดโ น, น้นคิดนี้เรายังควบคุมมันได้เนี่ยโอ้ยกลับไปบ้านผัวตายเมียตายธุรกิจล่มอะไรมันก็เฉยเป็นเนี่ยอันเนี้ยไม่ทุกข์กับมันเราจะอยู่ตัวเองเป็นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ อยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองก็ยิ่งเหมือนกระจุกมันคนเยอะคือมันรับได้หมดในจะิตเพราะว่าแบบนี้ดูแล้วก็จะไม่เห็นไม่มีอะไรเข้ามาเกิดในใจนะเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีอะไรมาดับไม่ต้องดับอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรมาเกิดในจิตเราจิตเบิกบานเฉื่สยเอาแล้วนะ ผิดศีลหน่อยก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่ถึงสามทุ่มละเลิกก่อนเวลาซะหน่อยแต่พูดเล่นหรอกเอาต่ออยู่พูดมันดีใจไปเงี้ยแหละขยับขยื่นไปมันคิดว่าจะเลิกหรือมั้งจีเรศโง่โง่ขนาดนี้เนี่หลอกได้หรือหลอกถ้าคนไหนนะทำหยอหยอแยแยพวกนี้ตอนกลางวันตอนเช้าจะมาเจอตอนเย็นแบบนี้ทูกตายเลยนะ ถ้าตอนกลางวันทําสติได้เน้น้อยเนี่ยตอนกลางคืนนี่จะทุกข์แล้วตอนเช้าอีกจะทุกข์อีกแต่ถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณได้สติจิตมันตื่นตัวรู้แจ้งขึ้นมาหน่อยคุณจะสนุกกับเกมมันเนี่ยนะถ้าเป็นบอลเรนะาเนเกมเพลชิ่งลองดูนะเอาสติตัวน้น้อยนะมาคอยดูคอยส ก, กัดคอยสังเกต หายเหย็ดนะผลตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาเหมือนใครว่านะเกมเล่นระบบแบบคาริบีทําเป็นลสนุกได้กับกิเลสเนี่ยทําไม่เป็นเลนทูกิเลส ท, ทุบกลายเป็นเล่นลิงคิงบอลวิ่งไปถนนกัไม่มีวิ่งมาทนี่นก็ไม่มีไม่ไายอะไรสักตัวเลยเหมือนเล่นบอลกับปลาซิล น, น, นะยังก็ลิงเราเนี่ยไม่ได้บอล น, นะ ตัวหง่วงมันหลอกให้ไปนั่งตรงนั้นตัวคิดมันหลอกเขาไปทํานี้กลับไปทำนั้นแหละโยมมีที่นอนสะดวกสบายนะมาอยู่นี่เธอไปดูพระดิอ่างวาง ว, าวง้าวีเลียงเหบเหงาพระนะนอนอยู่ในป่าช้าทางเหนือนี่เขาเรียกว่าป่าเร็วป่าเร็วป่าเหี้วนะเดียวกันเ ห, หี้หงอนงหูขับรอเรือเดียวกัน ทางโ้นเขาเร็วป่าช้าทางนี้เร็วป่าเร็วนู่นแล้วเข้าไปอยู่ในป่าช้านั่นนะต้นไม้ใหญ่ก็เยอะอันนั้นหล่นมานี่หล่นมาบรรยากาศแสงหิ่งห้อยยักก็มีป้ายศพเขาก็ยังติดอยู่ออกซิเจนก็ไม่ค่อยมีนะมีแต่คาร์บอนมันพ่นออกมาในะต้นไม้ใหญ่ๆนะฮันตื่นมาพระจึงหิว้หวห้ยหลับแล้วมานั่งเนี่ย ออกซิเจนไม่ค่อยมีผู้เธอในอากาศดีพากันนอนตึกบ้านดินยังจะมานั่งหลับให้ดูอีกก็เกินไปละโจมผู้ชายนอนอยู่บนอาคารเนี่ยไรไม่มีค่อยไม่ค่อยมีเหลือมีแต่ไรวันนี้เขาเอาน้ำยามาพ่นในแ ล, ล้วล่ะเชียวได้เห็นเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปพ่นอยู่ บางคนโอ้โหลงใต้พนบาปเลยกลัวบาปก็เอาอยู่นั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อวันไรดีไหมไรมันก็กัดแล้วเนาะตาว่ามันถ้ามันยังกัดยังไรอยู่ก็จะเปลี่ยนวิธีอย่างที่พ่นนั้นเราก็จะแจกให้คนที่นอนนั้นกินคนละช้อนละช้อนสบายอะ่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนอะไรมันอะ่ะแจกให้กินคนละช้อนหาย แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงนะนี่เห็นพวกตั้งกระโจมข้างนอกนะนี่มันไม่การสู้กับผีข้างในป่าได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกคนก็เขาออกมาทําวัดเขาก็เห็นเลยเนาะเขาปลุกเอากระโจมนี่ก็เขายืมมาเนี่ยเช่ามานี่ให้มันคุ้มค่าหน่อยเด้อนอนเนี่ยยืมของพวกป่าไม้เด้หนี่ดูลายมันดิมาให้นักปฏิบัติทําได้ทําความเพี้ยนเต็มที่ ฝนไม่ตกแดดไม่ออกแต่ว่าน้ำค้างลงหนาวนะวันต่อไปเนี่ยหลังจากพาทาความเพียนเข่งขัดแล้วยังง่วงยังเหงาอยู่เราจะงดอาหารนะไม่ให้กินอาหารเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะอาหารที่มันง่วงเนี่งดข้าวเช้ายังง่วงอยู่งดข้าวเพลงคือแก้ปัญหาไปเรื่อยๆมันต้องดีขึ้นละ่นะตอนเย็น เห็นมันยังไม่ได้เรื่องงดน้ำปะนะถ้ายังไม่ก้าวหน้าอยู่เราจะมอบซร้อยให้คนละเส้นเชือกข้าวคนละเส้นละเส้นเขาไปในป่าชา้าผูกคอตายเป็นแถวๆคงได้อยู่หรอกเส้นสังเวยถวายกิเลสมันเผื่อมันจะยอมเราโอ๊ยสงสารมื่อเธอตายไปแล้วสองคนจะได้รบกวนเราเลยเราก็จะบอกมัน แต่จะคิดนะว่ามันจะถอยเนี่ยมันเอาเหมือนเดิมนะ